กระบวนการดังกล่าวนี้ดำเนินไปตลอดเวลามีทั้งอย่างแผ่วๆที่ผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตและที่แรงเข้มสังเกตได้เด่นชัดมีผลต่อจิตใจอย่างชัดเจนและสืบเนื่องไปนานส่วนใดแรงเข้มหรือสะดุดชัดก็มักชักให้มีความคิดปรุงแต่งยืดเยื้อเยื่นเยอะออกไปถ้าไม่สิ้นสุดที่ในใจก็ผลักดันใหแสดงออกมาเป็นการพูด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 รู้สึกทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจไม่ชอบใจข้อนี้จะเป็นเครื่องกีดกัน้นปิดบังทําให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามสภาวะที่แท้ของมันทั้งนี้เพราะจิตใจที่เป็นไปเช่นนั้นจะมีสภาพต่อไปนี้คือหนึ่งข้องอยู่ที่ความชอบใจหรือขัดใจตกอยู่ในอํานาจของความติดใจหรือขัดใจนั้น ถูกความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเคลือบคลุมทำให้มองเห็นเอ็นเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงตามที่มันเป็นจริง 2. ตกอดีตหรือลอยอนาคตกล่าวคือเมื่อคนรับรู้แล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจจิตของเขาจะคล้องหรือขัดอยู่ณส่วนหรือจุดหรือแง่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้น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 เป็นการเสริมซ้ำการสั่งสมในสายความเคยชินของจิตให้แน่นหนายิ่งขึ้นความเป็นไปเช่นนี้ไม่ใช่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องห ย, ยาบหยาตื้นตื้นในการดำเนินชีวิตหรือทำกิจการทั่วไปเท่านั้นแต่ท่านมุ่งเน้นกระบวนรของจิตในระดับละเอียดลึกซึ้งที่ทำให้ปุคชนมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของคงที่เป็นชิ้นเป็นอันมีสวยงามน่าเกลียดติดในสมมติต่าง ไม่เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ดีกระบวนการเช่นนี้เป็นความเคยชินหรือนิสัยของจิตที่คนทั่วไปได้สั่งสมกันมาคนละนานๆเกือบจะว่าตั้งแต่เกิดทีเดียว2 0 3สปีบ้าง 40-50 หปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างนั้นไม่เคยหัดตัดวงจรลบกระบวนกันมาเลยการจัดการแก้ไข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 จิตที่มีสติช่วยกากับให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบันจะมีสภาพตรงข้ามกับจิตที่เป็นไปตามกระบวนธรรมข้างต้นคือหนึ่งความชอบใจหรือขัดใจไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะการที่จะชอบใจหรือขัดใจจิตจะต้องคล้องขัดอยู่ณจุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและแะงักค้างอยู่คือตกลงไปในอดีต 2. ไม่เลื่อนไหลลงไปในอดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคต ความชอบใจไม่ชอบใจกับการตกอดีตเป็นอาการที่เป็นไปด้วยกันเมื่อไม่ติดไม่ข้องไม่ค้างอยู่ตามดูทันอยู่กับสภาวะที่กําลังเป็นไปอยู่การตกอดีตลอยอนาคตก็ไม่มี 3. ไม่ถูกความคิดปรุงแต่งเนื่องด้วยภูมิหลังที่ได้สั่งสมไว้ชักจูงให้แปรประสบการณ์หรือสิ่งที่รับรู้ให้เอ็นเอียงบิดเบือนหรือย้อมสีไปตามอํานาจของมัน พร้อมที่จะมองไปตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ 4. ไม่ปรุงแต่งเสริมซ้ำหรือเพิ่มกำลังแก่ความเคยชินผิดๆที่จิตได้สั่งสมเรื่อยมาและเมื่อตามดูรู้ทันทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะก็ย่อมได้รู้เห็นสภาพจิตนิสัยเป็นต้นของตนเองที่ไม่พึงปรารถนาหรือที่ตนเองไม่ยอมรับปรากฏออกมาด้วย ทำให้ได้รับรู้สู้หน้าเผชิญสภาพที่เป็นจริงของตนเองตามที่มันเป็นไม่เลี่ยงหนีไม่หลอกลวงตนเองและทำให้สามารถํำระล้างกิเลสเหล่านั้นแก้ปัญหาในตนเองได้ด้วยนอกจากนั้นในด้านคุณภาพจิตก็จะ บ, บริสุทธิ์ผ่องใสโปรง่งเบิกบานเป็นอิสระไม่ถูกบีบจำกัดให้คับแคบและไม่ถูกเคลือบคลุมให้หมองมัว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 ก็จะร่วมงานโดยอาศัยสติคอยเปิดทางให้ทำงานได้เต็มที่ทำให้เกิดญาณทัศนความอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงที่เป็นจุดหมายของวิปัสสนาแต่การที่ปัญญินีเป็นต้นจะพร้อมหรือแก่กล้าได้นั้นย่อมอาศัยการฝึกฝนอบรมมาโดยลำดับรวมทั้งการเล่าเรียนสดับฟังในเบื้องต้นด้วยการเล่าเรียนสับฟัง และการคิดเหตุผลเป็นต้นจึงมีส่วนเกื้อกูลแก่การรู้แจ้งสัจธรรมได้